เ ม, เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมอาตมาก็ไม่มีโอกาสไปไปเยี่ยมคนคนป่วยนะทั้งที่ในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาออกจากโรงพยาบาลนะไปไปอยู่ที่บ้านกนะ็ได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็มีอายุพอสมควรสักสี่สิบกว่า ก็อยู่กลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่กับแม่แล้วก็มีน้องสาวอะไรมาช่วยดูบ้างนะเขาก็เป็นผู้ป่วยมเมื่อรนงที่น่าจะเป็นระยะท้า ย, ายแล้วแล้วก็นอนนอนติดกับที่นะไม่ได้นอนเตียงนอนอยู่กับพื้นนะช่วยเหลือตัเองไม่ค่อยได้นะ้อมแห้งนะลงไปเยอะนะ กินก็พอกินได้บ้างนะคือไปดูสภาพก็ดูก็ดูสภาพบ้านก็ส้มๆเนาะการเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่พยาบาลหมอก็พาไปไปเยี่ยมเนานะไปดูอาการเพราะว่าเขาไม่ได้รักษาต่อเพราะว่าก็มีเหตุหลายอย่างนะก็ไปคุยกับเขา ปรากฏว่า เ, เขาก็ไม่เป็นคนที่ไม่เคยมีครอบครัวมา ก, ก่อนอา ย, ยสุสี่สิบกว่าละคุยไปคุยมาเขาเคยบวช เ, เ, เ, เ, เป็นพระอยู่เก้าพรรษาเคยบวชเป็นพระอยู่เก้าพรรษาหลังจากที่ทำงานที่อื่นบ้างก็บวชเป็นพระแล้วก็พอลาศึกษามาก็ออกไปทำงานแล้วก็พอกลับมาอยู่กับแม่ก็ได้ป่วยลงไป พอเราไปแนะนำนะแนะนาการปฏิบัติธรรมแนะนำอะไรต่างๆเขาก็ดูเออเป็นแนะ น, นำให้เขานอนพิกมือนะ่ะแหละนอนพิกมืองยพิกมือควา่านะ่ํามือแบมือนะหรือว่ายกแขนนะนะเป็นการเจริญสตินะ่ะก็ดูเขาก็แบบเข้าใจได้เร็วกว่าคนไข้หลายๆคน เหตุเพราะอะไรเหตเพราะว่าเออเคยเคยบวชมาก่อนเคยบวชมาก่อนแล้วก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้านนะแม้ตอนบวชอาจจะอาจจะไม่ได้อยู่ในสายที่เน้นการปฏิบัติเดียทีเดียวนะอาจจะเป็นบวชในวัดบ้านปกตินะแต่พอพอคราวที่ตัเองทุกข์หนักป่นะวยช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ พอได้ยินได้ฟังธรรมะหรือว่าได้ปฏิบัติธรรมก็เขาก็น้อมนะเขาก็น้อมมาสวดพระกันปฏิบัติได้ได้เร็วหรือว่าได้ง่ายขึ้นเขาก็รู้สึกมีปิตินะเขาบอกว่าไม่ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เจอได้เจอกับพระอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าเขา อ, อยู่ที่บ้านเขาช่วยแต่จะเองเม่ช่วยได้ก็คง ตั้งแต่ป่วยอยู่กับบ้านผมไม่มีพระมาเยี่ยมนะเขาคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกับพระอีกแล้วนะแต่เขาตั้งจิตแบบนี้นะพอเขาได้ปฏิบททัติธรรมเขาตั้งจิตว่าถ้าผมหายป่วยหรือว่าถ้าผมดีขึ้นเนี่ยผมจะไปบวช <c oughs> จนกระทั่งเลี่ยชีวิตเลยนะคล้ายๆพงพิจนาล้วว่า ชีวิตตัวเองนะคงไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับเอได้ไปบวชแล้วก็ได้ได้ไปปฏิบัติธรรมนะอันนี้ชีวิตของคนอันเนี้ยเขาก็แต่เขาก็พยายามสู้นะพยายามสู้แม้ไม่มีสภาพแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยดี เ, เท่าไหร่นะแต่ก็พอไปแนะนําธรรมะเขาก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเขาก็บอกว่าเออจะ จะตั้งใจทำต่อไปเพราะว่าเหมือนเป็นบุญของเขาเขาว่าอย่างนั้นนะเป็นบุญของเขาที่อุตส่ามีพระมาโปรดนะ่ะได้อย่างนั้นก็ได้ฟังธรรมะนะ่ะได้ปฏิบัติธรรมผมและอาตมา ก, ก็เลยบอกเออ็ดีก็ให้พยาบาลนะหาซีดีหาหนะาซีดีธรรมะเครื่องเล่นนะ่ะซีดี ให้เขาฟังด้วยก็ดีเนาะจะได้เป็นเพื่อนเป็นมิตรเขาเพราะว่าพอคนป่วยแล้วก็เหมือนถ้านอนอยู่กับที่บางทีจิตก็จะฟุ้งซ่านง่ายๆเนาะนอกจากมีกรรมฐานที่ไปแนะนําแล้วบางทีกัญญาณมิตรเนาะที่ไปชีนน้แนะหรือว่าสื่อธรรมะเนี่ยแล้วก็เป็นกัญญาณมิตรอย่างหนึ่งที่ช่วยนอ่อยู่เป็นเพื่อนเขาให้เขาได้ได้ฟังทำ ได้อยู่กับธรรมะเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆรอเลีชีวิตของเขาเใจก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายหรือเปล่าเพราก็ดูอาการก็หนักเหมือนกันนะแต่ก็บอกไปว่าก็ไม่ต้องรอหายก็ได้เนาะเนะตอนนี้เรายังป่วยอยู่เราก็ให้บวชทางใจเอาละกันเนาะบวชทางใจนะเราไม่ทําผิดศีลนะเรา เจรเดินสติอยู่เป็นประจำนี่แหละคือการบวชทางใจนะแม่นอนอยู่กับเตียงนะไม่ได้ไปบวชห่มผ้าเหลืองแต่ก็สาหรับวชทางใจก่อนแต่ถ้าหายป่วยแล้วก็ค่อยไปบวชก็ได้เนาะนะก็บอกอย่างนั้นพออีกคนนึงก็ไปเจอนะอีกคนคนี้คนนี้อยู่อยู่ในโรงพยาบาลนะ คราวที่แล้วเดือนที่แล้วก็เจอนะเป็นเป็นพ่อของพยาบาลนะมาคราวนี้ก็เจออีกนะก็ยังไม่ออกจากโรงพยาบาลแต่คนนี้พอเจอแล้วนะเขาเกิดศรัทธาในในธรรมะเนาะ้วเขาเจอรอบหลังเดือนที่เดือนนี้นะก็บอกว่าถ้าผมนะ ถ้าผมหายป่วยนะผมจะไปบวชกับพระอาจารย์เขาว่าอย่างนั้นนะไปบวชอยู่กับพระอาจารย์นะเพราะว่าคราวที謝謝่แล้วไปแนะนำแนะนาการฝึกสติกับเขาเนี่ยแหละนะเขาก็คงรู้สึกได้ผลเนาะหนึ่งเดือนที่ได้ปฏิบัติธรรมนะอยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับเตียงอยู่กับความเจ็บป่วยเนาะพออาศัยธรรมะเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตใจเนี่ยมัน มันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันได้ผลเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีประสบการณ์พิเศษบางอย่างนมั้งเนี่ยเห็นลูกสาวเขาเล่าให้ฟังประมาณว่าประมาณว่าเหมือนตอนนอนดับไปแล้วก็ไปเจอคล้ายๆไปเจออาจจะคล้ายๆดินแดนเหมือนที่มันไม่ใช่ดินแดนของมนุษย์แบบนี้เนาะน เขาก็ว่าเหมือนไปเจอแล้วเนี่ยคนน่าจะเป็นยมรทู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็บอกเขาว่ามาทำไมนะคุณยังไม่ถึงเวลาที่จะมาที่นี่เนาะให้คุณกลับไปเนี่ยกลับไปโลภมนุษย์ก่อนกลับไปทำอะไรนะก็ให้ไปกลับไปตั้งใจ ทำสิ่งดีๆเนาะอย่าทำสิ่งที่ชั่วนะแต่ถึงเวลาเราจะเรียกกลับมาเองเลยประมานันมนะนันก็เลยเหมือนเป็นความตั้งใจของเขาเหมือนเขาเจอประสบการณ์พิเศษบางอย่างนะนะที่แบบเหมือนรู้ว่าชีวิตนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งตัวเองก็ต้องไปในสู่อีกที่หนึง่งนะแต่ยังไม่ถึงเวลาของตัวเองก็ให้กลับมาสู่โลกมนุษย์ก่อนแต่กลับมาสู่โลกมนุษย์ ก็ให้ทำสิ่งดีๆนะนะอย่าทำสิ่งที่ไม่ดนะีอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงนี้ด้วยที่ทำให้เขารู้สึกว่าพอถ้าหายป่วยนะหรือพอมีแรงแล้วเขาอยากจะบวชนะอยากจะบวชนะปฏิบัติธรรมนะเป็นทั้งเสียชีวิตไปเลยอันนี้ก็เป็นความบังเอิญ น, นะของของโยมสองคนที่ ที่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาหายหรือเปล่าไม่รู้่ะแต่ก็แต่ก็มีความตั้งใจว่าถ้าหายหรือถ้ า, ถาดีขึ้นก็อยากจะบวชจนทั้งเสียชีวิตมันก็ทำให้เราได้พวกเราหลายๆคนก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีนะบางทีคนที่เขาอยู่ในสภาวะแบบนี้มันเหมือน พอไม่มีที่พึ่งเนาะพอได้ทำนมะเป็นที่พึ่งก็สา ม, มารถทําให้เขามีเครื่องอยู่ได้เจนทั้งรู้ว่าจุดหมายชีวิตของเขาเนะีที่จริงไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการแค่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับการประพฤติธรรมเจนทั้งเจนทั้งเสียชีวิตไปนี่คือจุดหมายของของสอง โยมผู้ป่วยสองคนนี้นะแล้วก็คงอาจจะเป็นจุดหมายของของพวกกรนะเดาหลหลายๆคนในที่นี่เนาะถ้าเราพิจารณาดูดีดก็สาระแก่นสารของชีวิตของเรามันคืออะไรนะเป้าหมายของชีวิตของเราคืออะไรนะถ้าเราชัดเจนกับเป้าหมายของชีวิตเรานะเราก็จะชัดเจนกับ การเดินทางไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นเนี่ยมันก็จะรู้ว่าวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นมันคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ดีเนาะแต่อยากให้เราค้นพบหรือว่าให้เราแสวงหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตของเราที่แท้จริงว่าชีวิตนี้นะ จุดหมายปลายทางทจริงๆเนี่ยเราอยากจะเป็นอะไรอย่านงะผมเองแต่ก่อนก่อนบวชนนะัก็คิดว่าชีวิตนี้ก็อยากจะประสบความสำเร็จทางโลกระดับหนึ่งก่อนนะเมื่อตอนแก่แล้วนะกเกษียณแล้วนะเราก็จะมาค้นพบความสำเร็จทางธรรมบ้าง น, นะค่อยมาบวชมาปฏิบัติธรรมอะไรแบเนะี้นะก็คิดว่าถ้าชีวิตที่ดีก็คือ ประสบความเสเร็จทางโลกก่อนนะตอนกเกษียรจนปลดระวางแล้วค่อยมาหาความสำเร็จทางธรรมมันน่าจะเพอร์เฟกดีน่าจะสมบูรณ์แบบดีก็ ค, คิดอย่างนั้นนะตอนนนกแรกแต่พอได้มาบวชนะตอนอายนะุยังไม่มากนะักเนาะมันก็ทำให้เราเปลี่ยนจุดหมายนะเพราะว่ามัน มันทําให้เราได้คิดว่าเอ๊ะทําไมถ้าจุดหมายปลายทางของเราต้องการต้องการบวชหรือว่าต้องการความสงบที่แท้จริงแล้วทําไมเราต้องรอตอนที่เราแก่รอตอนที่เราอายุเยอะแล้วค่อยมาทํามาตรงนี้เราตัดตอนมาทําก่อนเลยดีไหม <c oughs> ตัดตอนมาทําก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงแก่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อาจจะตายก่อนก็ได้หรือว่าในระหว่างช่วงเวลาหลายสิบปีนั้นอาจจะเกิดการเปลี่ยนใจหรือว่าเกิดเหตุประจัยอีกหลายอย่างที่ที่เราอาจจะไม่ได้ทำอย่างที่เราบวชก็ไดเ้เราอาจจะไม่ทําอย่างที่เราตั้งใจก็ได้นะมันก็เหมือนเออในเมื่อถ้าเราพอจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิตคืออะไรเนาะ เราก็น่าจะเริ่มทําตั้งแต่ตอนที่ตอนนี้ดีกว่าตอนที่จะไปรอทําในอนาคตเนะนี่ยก็ให้เราหลายๆคนก็พิจารณาดูเนาะว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่าที่แท้จริงเนะี่ยสิ่งที่เราต้องการทแท้จริงมันคืออะไรเนาะนะเราก็น่าจะทําตั้งแต่ตอนนี้นะทําตั้งแต่เนิ่นๆเลย ดีกว่าที่จะไปรอทําตอนที่มันอีกหลายสิบปีหรือว่าในเรื่องของอนาคตเนาะอันนี้แต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนอาจจะต่างกันเนาะแต่ผมผมก็พอพอจัดสรรจัดการได้ว่าเอยเราก็บวชไปเรื่อยๆมันก็สามารถทําได้อยู่แล้วก็ก็ได้ประพฤติทำด้วยนะได้ทําประโยชน์กับผู้อื่นบ้างด้วย แต่ถ้าบางคนอาจจะเหตุปัจจัยหรือว่าความอาจจะมีความไม่พร้อมบางอย่างนะแม้เราไม่ได้บวชแต่ถ้าเราคิดว่าหรือเรารู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตเราเนาะแม้ไม่ได้บวชเราก็ให้บวชทางใจนั่นแหละให้ใจของเราเป็นพระให้ใจของเรา มีธรรมอยู่เป็นประจำใจนั่นแหละแม้บางคนอาจจะเป็นราระวาสอยู่เนะี่แต่ถ้าใจเราเป็นพระใจเราประพฤติทธรรมอยู่เนะก็ชื่อว่าเนะเรากลังเดินทางที่สมควรอยู่เช่นเดียวกันนั่นแหละนะเราก็สามารถทำแบบนั้นได้นะบางคนเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมก็เอาตอนนี้ละก่อนเนะเหมือนอย่างที่บอกว่าบางคน บวชไม่ได้เพราะว่าร่างกายไม่สบายนะแต่ถ้าเขาก็สามารถบวชทางใจได้นะมันอย่างที่เรารู้จักเนาะอย่างอาจารย์กําพลแม้ท่านจะเป็นคนพิการนะในบัญญัติของพระพุทธเจ้านะคนพิการหลายประเภทนะก็บวชไม่ได้นะแต่ธรรมะนี่มันไม่ได้จำกัดว่าจำกัดว่า เมื่อพิการแล้วนะ่จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้คนะือธรรมะมันไม่มันไม่จํากัดด้วยสมมุติเนาะเพราะนั้นอาจารย์กระพลก็เป็นพระโดยโดยความจริงนะแต่โดยสมมุติแล้วไม่ได้ห่มผ้าเหลืองไม่ได้เป็นพระนะแต่เมื่อความจริงท่านเข้าถึงธรรมะนะก็มีคนศรัทธามีคนกราบไหว้มีคนนะ่ะ ประพฤติตามธรรมที่ท่านเข้าใจ น, ะนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องเพศนะที่เป็นสมมุติมันก็เลยเป็นเรื่องที่คนก็ก้าวข้านไปได้นะตัวเราเองก็เหมือนกันเราก็ต้องเอาตัวอย่างนะั่นแหละแม้บางทีเราไม่ได้บวชนะแต่เราก็สามารถที่จะเนเข้าถึงธรรมะไดนะ้เพราะธรรมะไม่ได้จํากัดการนะบางทีบางคนเป็นผู้หญิงนะ ว่าเราบวชเป็นพิสุนีไม่ได้เป็นสามเณรดีไม่ได้เพราะว่าข้อจำกัดอะไรอย่างแต่จริงเราสามารถบวดทางใจได้นะมันไม่ใช่เกี่ยวกับรูปแบบภายนอกหรอกนะแต่เพียงแต่ ว, ว่าสถานะการบวชมันก็อาจจะช่วยให้ให้เรามีเวลาอยู่กับสิ่งนี้นะมากกว่าคารวานะเนาะเพราะบางทีถ้าเป็นคารวาดก็จะมีการงาน ในหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง <c oughs> หรือว่าปัจจัยสี่ปัจจัยอื่นก็ต้องก็ต้องหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเาเองเป็นหลักเนะอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องไปเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องแล้วอย่างมีสตินะมันก็ชื่อว่าเราได้ต่อพฤติธรรมอยู่ในขณะที่เราทําการงานเช่นเดียวกันนะนะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของแต่ละคนเนาะแต่ก็อยากให้เรานะให้คนพบเป้าหมายของชีวิตเราว่าเป้าหมายที่เป็นนามธรรมนะที่เราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงนะเป็นเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรเนาะมนเป็นเรื่องของนามธรรมเราก็มากาหนดรูปแบบที่เป็นรูปธรรมนะที่เราสามารถทำได้จริงนะในชีวิตของเรานะ บางคนอาจจะเลือกการบวชเพราะมันเอือ้อนะในการประพฤติธรรมมากขึ้นนะบางคนอาจจะยังไม่เลือกการบวชนะแต่ก็เลือกนะการใช้ชีวิตอยู่กับวัดเพื่อประพฤติธรรมเพื่อช่วยเหลือกิจของสงฆนะ์ช่วยเหลือวัดวาอารามนะหรือบางคนอาจจะยังนะอยากจะไปทำงานทำโลกนะอยากจะไป เชิญกับโลกนะแต่ก็อย่าอย่าได้ทิ้งธรรมะเลยนะนะเพราะว่าโลกมันก็มีความวุ่นวายหลายอย่างหรือว่ามีสิ่งที่ยั่วยวนหรือว่าคอยหลอกล่อนะคอยโฆษณาให้เราไปเอาความสุขที่เกิดจากเพียงแค่วัตถุภายนอกหรือว่าเป็นความสุขที่มัน เดี๋ยวประดาวเนะ่ไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตเราก็ต้องให้รู้เท่าทันเนาะบางทีมันจะมีความหลอกล่อหลงเพลินไปเยอะเนะ่แต่ถ้าเรามีธรรมะเราไปเกี่ยวข้องกับโลกเนะเราอาศัยเนะ่การมีสติรู้ให้ทันบ่อยๆนี่แหละจนะิตใจมันก็จะได้ไม่หลงไม่ไหลไปกับสิ่งที่กระทบภายนอกเนาะ อันนี้คือเป้าหมายของชีวิตเราแม้เราจะออกพรรษาแล้วนะแต่ก็การเดินทางในการประพฤติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดนะเน <c oughs> ตราบใดที่เราจะมีการเกิดอยู่เนะี่ยมันก็ต้องเวียนว่ายไปเรื่อยนะถ้าเรายังไม่ค้นพบค้นพบพระนิพพานที่แท้จริงเนะีนะ่ยเพราะการเกิดทุกคราวมันก็มีความแก่มีความเจ็บ มีความตายเนะี่ยยิ่งถ้าใจเรายัางยังละเหตุของการเกิดไม่ได้เนาะเหตุของการเกิดคืออะไรคือตันหาคืออุปทานนี่แหละเนาะตันหาคือความทยานอยากเนะนะีอุปทานคือการยึดติดเนะี่ยยึดติดว่าอันนี้คือตัวตนของเราเนะมันก็เลยเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเนะีย เกิดการเกิดขึ้นมานี่แหล ะ, ะเราก็ต้องดูว่าตัญหาในจิตในใจมันมีอะไรอยู่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นมีอะไรอยู่เราก็พึงละมันเสียนอันนี้คือเหตุที่ทำให้มีการเกิดเยอะเน่ต้องพิจารณาโดยดีๆนะสว่างระหว่างเความเป็นตัวตนเนี่ยของเรา มันเป็นตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่ น, นหรือมาเป็นเพียงแค่กิริยาที่เป็นความคุ้นเคยถ้าเป็นเพียงแค่กิริยาเป็นจริตนิสัยอันนั้นโทษภยัยมันน้อยแต่ยิ่งถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่ากิริยานั้นๆจริตนิสัยนั้นๆวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำนั้นๆมันคือเรา มันก็คือเหตุนะมันก็คือเหตุมันก็คือตัวตนอย่างหนึ่งนะที่ที่เราไปยึดไว้ถ้าเราไปยึดไว้มันก็จะเป็นเหตุในการเกิดนะในตั้หนักคล้ายๆที่เรายึดนั่นแหละนะมันมีเหตุนะนะเกิดเป็นผู้ชายมันก็มีเหตุเพราะว่าจะดิ์นิสัยเป็นแบบนี้เป็นแบบผู้ชายนะเกิดเป็นผู้หญิงก็มีเพราะว่ามี จิตนิสัยมีความยึดมั่นถือมั่นมีความคิดแบบผู้หญิงเกิดเป็นสัตว์เลราา้ยงลูกด้ยนมก็มีจริตนิสัยมีความคิดแบบเลราา้ยงลนมันก็ทําให้เกิดเป็นเลราาเ้ยงลนอีกอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีเหตุนะทุกเหตุเหตุที่เราได้เกิดมาเป็นแบบนี้นะเพราะว่าอาดีตนั่นแหละเราก็ทําแบบนี้นะหรือว่าอาจจะไม่ทําแบบนี้เสียทั้งหมดแต่ว่ามันมันทํามากกว่าแบบอื่นเนาะ มันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดแบบนี้แต่เราก็ต้องดูว่าเหตุแบบนี้มันยังเรายังสร้างมันอยู่เยอะไหมถ้าเรายังสร้างมันอยู่เยอะนะมันก็จะทําให้เรากลับมาเกิดคล้ายๆแบบนี้อีกแต่มันก็มีเหตุที่จะทําให้เราพ้นก็คือเราทําเหตุที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นแหละมาถึงจะพ้นนะหรือว่ามันทําให้ เหตุกาของการเกิดมันจะเบาบางไปได้เรื่อยๆนะแม้ไม่พ้นนะแต่มันก็จะค่อยๆค่อยๆดีขึ้นนะค่อยๆงามขึ้นนะคล้ายๆนะคล้ายๆเราทำงานก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะสมมติสมมติเรามีเหตุเรามีทรายเรามีหินเรามีปูน เรามีวัสดุก่อสร้างต่างๆแบบนี้วัสดุก่อสร้างมันก็แบบเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นคนละส่วนคนละส่วนกันช่างที่มีฝีมือก็รู้จักก่อนะก่ออิฐฉาบปูนเทพื้นนะให้เป็นผนังนะให้เป็นหลังคานะจากอิฐหินปูนทรายวัตถุภายนอกต่างๆก็กลายเป็นบ้าน กลายเป็นกุติเป็นสาราไดนะ้คือการสร้างขึ้นมานะคือการสร้างขึ้นมาให้ ใ, หใช้ประโยชน์ได้กายวาจาใจของเราก็เหมือนกันนะมันคือการสร้างแหละนะเราจะสร้างมันเป็นรูปไหนแบบไหนเนะี่ยมันคือสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทํานั่นแหละนะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่ก็คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้ทามันเนาะ เราจะสร้างเหตุของการเกิดก็คือเราทํำนั่นแหละนะเราจะสร้างเหตุของการไม่เกิดก็คือเราทําเหมือนกันนะนะก็เส้นทางไหนก็เส้นทางอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละนะคือทางที่จะทําให้เราพ้นจากการเกิดขึ้นไปได้เนะยนะให้เราดูนะสำมาทิทนะิเราเห็นทุกขนะ์ถ้าเห็นทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ได้นะ ความคิดชอบดัมดิชอบก็เหมือนกันนะดัมดิไม่เบียดเบียนดัมดิไม่พยาบาทดัมดิไม่ไม่หมกมุ่นในกลามไอ้คนเนี้ยการคิดแบบนี้บ่อยๆมันก็จะทําให้เราออกไปนแต่ถ้าเราหมกมุ่นคนคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรื่องเสพกลามกา ม, กา ม, มคุณหมายถึงว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนยไม่ใช่เพียงแค่กลามแบบภาษาไทยนะการเสพกลางคือการ ติดในรูปเสียงกินรถโสดถภาธรรมรมต่างๆนะหรือว่าการยังมีจิตนิสัยชอบเบียดเบียนชอบพยาบาทคืออ า, าฆาตโกรธเคืองอยู่เนะี่ยก็คือการคิดการดําดิที่ยังไม่ชอบอยู่นะสัมมาวาจานะการพูดจะชอบนะพูดจะชอบไม่ใช่เพียงแค่ไม่พูดปดเนะี่ยเท่านั้นนะ ที่จริงรวมทั้งถึงการไม่พูดคำยาไม่พูดเพิรเจอไม่พูดสอดเสียดด้วยนะ่ะมันมีสีออ่องค์ประกอบนะบางทีไม่ใช่เพียงแค่เราไม่พูดปลดเท่านั้นนะ่ะพูดคำยาพูดเพิรเจอร์พูดสอดเสียดมันมันก็เข้ามันก็เข้าข่ายนะ่ะที่ทำให้เป็นไม่เป็นสัมมาวาจาะนะั่นเนาะเราก็ดูอาเราก็ดู อะไรที่เราทำดีแล้วก็ทำต่อไปอะไรที่ยังทำไม่ดีเราก็แก้ไขไปให้มันดีขึ้นการงานชอบก็ดีการเลี้ยงชีวิตชอบก็ดีความเพียรชอบก็ดีนะเพียรชอบคื อ, อไดเพียรในการเพียรในการละอกุศลเพียรในการเจริญกุศล น, นั่นแหละอะไรเป็นอกุศลเราพยายามละเสียพยายามป้องกันเสีย เนี่ที่จริงศีลเนี่ยคือการละอกุศนคือการป้องกันกุศลนะเนี่ยการรักษาศีลเนี่ยเป็นการละอกุศลไปในตัวนไม่ทําบาปทางกายทำวาจ า, าเนี่ยละอกุศลแล้วนหรือจิตมันคิดขึ้นมารู้ทันความคิดละความคิดที่เป็นอกุศนเสียเนี่ยคือทําความเพียรแล้วนะทํากุศลคืออะไรทําตามเหตุตามปัจจัยเนาะ ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจิตเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเนะี่ยมันเป็นกุศลที่มันจเจริญขึ้ น, นเรื่อยๆน ะ, จะเจริญเสียสละสิ่งต่างๆเนี่จเจริญขึ้นนเรื่อยๆนะนี่คือความเพียรเพียรในการละอกุศลเพียรในการจเจริญกุศลแต่มันก็เนื่องด้วยการมีสติเนี่ยแหละนะถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ทันนะ รู้ทันความพอใจรู้ทันความไม่พอใจนะนั้นการยศการยสติเนะี่ยไม่ว่าจะต ก, กายวาจาใจนะนะเนาะกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะไม่ใช่เพียงแค่เรารู้กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นนะรู้แล้วถ้ามันถอนไม่ได้ก็แสดงว่าสติยังไม่ใช่ตัวจริง ยังไม่ใช่ของจริงนะแต่ถ้ารู้นะ่ะทอนความพอใจและความไม่พอใจในโดออกเสียได้นี่แหละนะ่ะนี่คือผลที่มันเกิดขึ้นได้แล้วนะเราพอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมารู้ทันละมันเสียไม่ยึดมันเสียนั่นแหละคือเราทําถูกแล้วเนะี่ยทําพวกนี้ไปเรื่อยนะสมาธิเนะี่ยก็จะตั้งมั่นจิตก็จะสงบ ทั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นคำว่าสงบไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งกระทบนะหรือว่าคำว่าสงบจะไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์นะแต่มันมีแต่มันไม่สะเทือนไม่วันไหวคล้ายๆเหมือนสาราหลังเนี้ยนะสาราจงเร่งเพียนหลังค่อนข้างใหญ่นะเด็กก็มั่นคงทานรากก็แน่นหนาลนมะพายุจะพัดมานะ แดงเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นไหวนะี่จิตใจของเราก็เหมือนกันนะนะี่อาจจะมีสิ่งกระทบนะี่ทั้งภายในทั้งภายนอกนะแต่มันไม่หวั่นไหวอันนี้คือความสงบที่เป็นสัมมาสมาธินะเนาะไปสงบแบบรู้รตัวอันนี้หละคือมัคที่เราควรเจริญให้มากๆกเนาะการเจริญมัคเนี่ยแหละจะเป็นเหตุทำให้เราเข้าถึงนิพพานเนาะ ไม่ใช่เราปรารถนานิพานปรารถนาความไม่ทุกข์ปรารถนาความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเราไม่ทำเหตุมันก็ไม่ได้หรอกนะพระอาจารย์สอนให้เราทำเหตุนะเราทำเหตุไปบ่อยๆนะพยายามกำหนดที่การทำเหตุที่ดีทำเหตุที่ถูกนะอย่าไปคิดว่าเมื่อไรจะได้ผลอย่าไปคิดว่าเมื่อไรมันจะบรรลุธรรมอย่าไปคิดว่าเมื่อไรจะนะเราจะ เข้าใกล้หรือยังอะไรนะ่ยที่จริงคิดแบบนั้นทีมันก็มีเหตุให้คิดแบบนั้นเพราะว่าคล้ายๆเหมือนว่าเราจะได้เลิกปฏิบัติทรรมทีทีหนระือหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปถึงเร็วๆนะันแต่จริงถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะมันเป็นความสุขในขณะที่ทำเนะี่ยดีกว่าไปรอความสุขขนาดที่ผลมันเกิดนะถ้าเรามีความสุขในการทำเหตุนั่นแหละเราจะทำได้เรื่อยๆนะ แม้จะมีความเหนื่อยบ้างมีความท้อบ้าง น, นะแต่มันก็ต้องทํำนะไปเรื่อยๆนะทํำบ่อยๆนะไม่ว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเลือกนะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเป็นการปฏิบัติธรรมก็ดีนะทําแล้วมันไม่ใช่ว่าจะสุขตลอดหรอกนะมันอาจจะมีความเหนื่อยความทอ้อความเบื่อมีอุปสรรคหลายอย่างมากแต่ถ้าเรามั่นคงในเส้นทางนี้เนาะเราก็จะฟันฝ่ามไปเรื่อยนะ แม้จะทุกข์หรือสุขนะก็ตั้งใจนะตั้งใจทําตามเป้าหมายของชีวิตเรานะั่นแหละนะอันนี้คือชีวิตเราก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเนาะนะเราออกพรรษาก็ดีนะักก็ให้เราไปใช้ชีวิตนะจะอยู่ที่วัดหรือว่าจะอยู่ที่บ้านอยู่กับการงานนะก็ให้เราอย่าลื่มชีวิตเราที่เราได้มาบวชหรือว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมเนะ เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตนะเราจะอยู่ในเพศไหนก็ขอให้ใจเราเป็นพระขอให้ใจเราบวชนะอันนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะ่ะแต่ถ้ามีโอกาสนะก็มากระพืดปฏิบัติธรรมนะให้มันหล่อเลี้ยงไปเรื่อยนะ่ะบางทีมัน ห, ห่างหายไปเยอะมันก็อาจจะเหมือนแบตมันเสื่อมนะ่นะก็ต้องมาชาร์จบ่อยบ่อยกลับมาชาร์จ พอดังสติเนี่ยสมาธิเนี่ยให้มันมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปเนาะต่อฝากไว้น่จ้